พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าทำบุญให้เปรตญาตวันในขุกบา ทั้งหลายลงอุโบสถวันนี้นะเที่ยงเที่ยงวันลงอุโบสถตั้งแต่พัรษาปีนี้นมาหลวงพ่อให้ลงอุโบสถตอนเที่ยง ต, ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราลงอุโบสถตอนบ่ายบ่ายห้าโมงพอลงอุโบสถจบลงไปแล้วก็ขึ้นศาลาไหว้พระสวดมนต์วันพระ8ปดคาสิบห้าค แต่ปีพศ2557เนี่ยตั้งแต่เข้าปรรษาที่หนึ่งตรงบวชสดเที่ยงวันแต่ยังไงก็ถึงวันแล้วก็ต้องลงบวชสดจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก็ได้ในในวันนั้นนะแต่พวกเราถ้าว่าได้ตรงตอนเที่ยงเราก็ได้มีเวลา ได้พักจุกโช ร, ระยะหนึ่งวันนี้เป็นวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช25157วันเป็นวันทาบุญตามประเพณีของอีสานคือทาบุญข้าวประดับดิน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 ท่านที่จากไปแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านไปนะัดสถานที่ใดบางทีพอตายไปแล้วอาจจะไปคิดไม่ดีในช่วงนั้นพอคิดไม่ดีในช่วงนั้นอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ทร้าชานก่อนไปตกนัรกก่อนไปเป็นเปรตก่อนหรือไปที่ไหนก่อนพอพ้นจากภพภูมิเหล่านั้นก่อนกลับมามาใช้วิบากกรรมแต่ถ้าหาพวกเรา ลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นวิญญาณเหล่านั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นท่านก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุานาาศลจากวงศาคณาญาติอันนี้คือในกฎของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นแต่บางคนไม่ใช่ว่าจะได้ทุกไลไม่ใช่บางทีทาบาปกรรมติดคุก อุกส ก, กันคือโทษหนักเรื่องพันธนาการาตรึงไุ้ทุกแห่งคนส่งอของเข้าไปให้ในเรือนจำปวกคุมวกคุมเขาเขาไม่ให้รับเาขาไม่ให้ไม่ส่งเข้าไปพ โ, โทษหนักอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่ า, าถ้าโทษเบาลงมาแล้วก็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 อยู่คอยคอยรับไปชนีถ้าว่าญาติพี่น้องทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกนี้จะได้รับอคอยรับบุญกุศลแต่ถ้าว่าพวกถ้ามันหนักถ้าโต้ตอบไม่ได้รับแล้วไม่ได้รับที่พวกเราทำบุญกุศลไปเนี่ยนะจะไม่เสียเปล่าเหรอพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า เหมือนกับเราส่งของทางไปชนีส่งของไปแต่นายไปชนีเป็นผู้ซื้อตรงเป็นผู้ซื่อสัตว์ในเมื่อส่งปลายทางแล้วไม่มีไม่มีใครรับก่องไปษนีนะัก็กลับมาหามาหาเจ้าเจ้าของผู้สง่งนี่แหละบุญกุศลมาถึงผู้สง่งพอเห็นอะไรเพราะว่าปลายทางไม่มีไม่มีใครรับปลายทาง ไม่พร้อมที่จะรับปลายทางรับไม่ได้ปลายทางอยู่นอกเขตจ่ายอยู่นอกเขตจ่า ย, ย, ายไปชนีไม่ใช่ว่าจะส่งไปที่ไหนก็ได้รับทุกหมดไม่ใช่นะพอไปส่งถึงอำเภอแม่สายแต่พวกนั้นเราไปอยู่นนพุ่นเขาแดนพมา่าอยู่ในกระเลียงนะไปถึงที่นั่นเขาเรียกขานชื่อไม่มีแล้วจะทำยังไงเขาก็ส่งไปชนีที่ซื่อสัตย์ เราก็ต้องส่งกลับคืนมาหาเจ้าของเดิมนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนที่ท่านได้วางเอาไว้มีกฎเกณฑ์เอาไว้แต่ถึงยังไงที่ท่านได้พูดกันเรื่องชัดเจนคือในพระไตรไปิฎกก็คือพระเจ้าพิมพิสารครองราชเทวีเธเว ب, เธวัดป่าเวรวุวันเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นวัดแรกาจากนั้นพระองค์ทาบุญเสร็จแล้ว กวดน้ำทักขีโนทกเป็นสกีพยานในแผ่นดินเพื่อจะถวายต่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้คือวัดป่าเวลุวันแต่เมื่อพระ อ, องค์ทําบุญเสร็จแล้วพระ อ, องค์ไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อผู้ใดใครผู้หนึ่งทําบุญเสร็จแล้วก็จบหยุดแปลว่าได้เงินและได้เช็คมาแล้วก็พับใส่กระเป๋าเลยก็จบ ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลต่อผู้ใดใครผู้หนึ่งดังนั้นญาติพี่น้องของพระเจ้าพิมพ์พิสารในอดีตในอดีตชาติามีท่นีน้พวกเหล่านั้นก็พอพระเจ้าพิมพ์พิสาร ข, ขายของบุญกุศลอื้อซ่าแต่ไม่ยอมแบ่งใครท่านนี้นก็ไม่รู้ก็ไม่มได้รับเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้อุทิศส่วนกุศลพระเจ้าพิมพ์ิสารไม่ได้อุทิศ ส่วนกุศลเพราะนั้นในจุดนี้จุดหนึ่งที่หลวงพ่อให้อุทิศส่วนกุศลหน้าเมื่อเราได้ทําบุญทําทานเมื่อเราได้รับพรอุทิศส่วเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามมีส่วนที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาคขาญาติญาตินิตสหายในอดีตแต่ชาติปัจจุบันในชาตินี้ก็ดี ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลเข้าไปเจ้ายินดีอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเราท่านเหล่านั้นอันนี้ก็คือเวลาเราทําบุญให้เราคิดอุทิศส่วนกุศลอย่างนี้ตอนทพระเจ้าพิมพ์ิสานไม่ได้อุทิศอย่างที่ว่าพอทําบุญจบแล้วก็คือจบบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพระเจ้าพิมพ์พิสารจากนั้นก็มีญาติพี่น้องของพระเจ้าพิมพ์พิสารในอดีตที่เป็นเปรตอยู่ ที่ไม่ได้ใช้กรรมด้วยวิบากกรรมที่ตนได้กระทำไว้แต่จะหมดแล้วล่ะจะหมดบาปกรรมแล้วท่านี้ในเมื่อพระเจ้าพิมพิสานอุทิศส่วนกุศลให้ก่อนแปลว่าได้รับท่านี้ก็เปรตเหล่านั้นก็แสดงตนให้ปรากฏในเวลากลางคืนพระเจ้าพิมพิสานนอนอในเวียงในวังเปรตก็แสดงตนให้ปรากฏโอ้นากลัว ไม่มีเสื้อผ้าบางตัวพร้อมๆบางกระโดดโลดเต้นจนพระชอบพิมพิสารนอนไม่หลับทั้งคืน่ถึงเช้ามาก็มากราบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเอออันนั้นเป็นญาติของพระองค์ในอดีตชาติที่เขามาคอยรับบุญสุกุศลแต่พระองค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้โอ้ทางั้นกับผมขอทำใหม่วันพูนี้อาราธนาพระพุทธเจ้าไปฉั น, นเวียงวังอีก ก็ถวายปัตตหารอีกอุทิศส่วนกุศลให้แต่พออุทิศส่วนกุศลให้ท่านพวกเปรตนั้นได้รับบุญกุศลอ้วนท่วนสมบูรณ์หน้าตาสดใสยิ้มแย้มแี่ยมใสกันทั้งหมดแต่ไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเห็นนั้นก็กล้ามากราบฟุ้งพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์ถวายแต่พัตตหารไม่ได้ถวายเสื้อผ้าให้เขาพระเจ้าพิมพิสารถวาย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 การทำบุญของเขาในอดีตแต่ชาติเขามีอยู่แต่เขามาใช้กรรมแต่เมื่อเหมือนกับเขานักเลงที่ไปทําความชั่วเนี่ยแต่เงินเขาฝากธนาคารแล้วเขาซื้อที่ดินไว้มีอยู่เงินที่ที่ดินเขามีอยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขามีอยู่ใบโฉนดที่ดินเขามีอยู่แต่เขาไปติดคุกในเมื่อพ้นจากคุกมาเขาเขาต้อง เอาใบโฉนดที่ดีนะมาขายหรือมาสร้างบ้านตรงแปลงโฉนดของเขาเขาก็เป็นเศษรษฐีเผยเอยยังรวยกว่ารวยกว่าคนธรรมดาอีกออไปเเพราะว่าเขาได้ทำบุญกุศลไว้ในอดีตมีอยูอ่บางเรื่องนี่แหละอันนี้คือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเปรียบเทียบขึ้นไปก็เหมือนกับชีวิตของมนุษย์เหมือนกันใกล้ใกล้กลัน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 เหมือนกับเราจุดเทียนเล่มหนึ่งขึ้นมาคือเราทำบุญหนึ่งคือเหมือนกับับเราจุดเทียนเล่มหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าว่าใครเขาตามมาเอาเทียนมาจุดต่ อ, อ, อจับไฟของเราจากเทียนเล่ม น, นั้นไฟของเราหมดไปไหมอันนี้ก็คือความเปรียบเทียบของพระพุทธเจ้าถ้าท่านเปรียบเทียบในพระตไตรปิฎกให้ฟังคนนั้นเขาเขาก็ได้ไฟไปเหมือนกันใช่ไหม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 ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าข้าพเจ้ามีความสุขอย่างไรขอให้ผู้อื่นดวงวิญญาณอื่นเหล่านั้นจงมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานะอันนี้ก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลสำหรับพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะแต่หลวงพ่อเองก็มาย้าอีกว่าถึงยังไงก็เถอนะพวกเราท่านทั้งหลาย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 หามาด้วยความทุกข์ยากลําบากงกกันนั้นอผลที่สุดก็เลยได้มาแล้วก็รวยก็ไม่รู้จักทําบุญเพราะความขี้ตนันีถี่เหนียวของตัวเองผลที่สุดก็เลยพอตายไปแล้วก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ได้อะไรเอเป็นสมบัติของเขาไปตัวเองเลยเป็นเปรตทุกข์ยากลําบากอันนี้ก็ส่วนนี้เราควรจะคิดไว้เหมือนกันในเมื่อเราเกิดมาเดีพบพุทธศาสนาส่วนไหนที่เราควรจะทําอควรจะเป็นบุญ เป็นกุศลเราก็ทำซะในเมื่อทาจบลงไปแล้วนะบอกสั่งเสียเขาเลยลูกเอ้ยหลานเอ้ยสุเา้าไม่ต้องทาให้พอ่อให้แม่หรอกนะไม่ทไม่ต้องทาให้พอ่อหรอกนะพ่อทาเอาเองพอแล้วขนาดเนี่ยเป็นที่จุใจสุเจ้าจะทาก็เป็นเรื่องของสุเจ้าแต่ไม่ต้องหนักใจเนี่ยเพราะพ่อได้ทำเอาเองเพียงพอตามความต้องการของพอ่อ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 ไม่ต้องทําอะไรให้ให้กับเราอีกแล้วศูนย์เจ้าทําก็ทําเพื่อสูนเจ้าก็แล้วกันแต่ไม่ต้องมาเผื่อแผ่ให้กับเรามามาธิกาบังส ก, กุลมากุศลามกุศลธรรมมากุศลาให้เราไม่ต้องอันนี้แหละคือความเชื่อมั่นและความเด็ดเดี่ยวขององค์ท่านท่านคำว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกท่านเราตายจากชาตินี้ไปแล้ว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 เราไม่ใช่ว่าทานซะก่อนอย่างใครบุญไม่ใช่เรารักษาศีลเราภาวนาใ เ, เราภาวนาอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวเรารักษาศีลอย่างเดียวอ้าวข้าพเจ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อ้าวข้าพเจ้าจะภาวนาตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาไม่ต้องหรอกเรื่องการทานเพราะเราเป็นนักพจนักบวช การสร้างคุณงามความดีไม่ใช่ว่าแต่ทานอย่างเดียวนะสินภาวนาภาวนานะเลิอดประเสริฐที่สุดให้ตั้งใจภาวนาเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตธาญติยมลูกหลานทุกคนนะเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาให้ประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างลุงพลอยย้ำแล้วบอกอีกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกในหลักของพุทธศาสนาหนทางพิสูจน์มีการพิสูจน์ ชีวิตจิตใจเป็นยังไงนะเอารับพอรอนโมทนาให้พร